เป็นธรรมะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นการาสร้างลายาติธรรมเลยชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะตายในเวลาใด เ, เวลาหนึ่งก็ได้นะมีโอกาสตายได้ทุกเวลาในช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะนั้นยาติธรรม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 แล้วก็มีคุณค่าดีสักกว่าที่เราเกิดมาแล้วไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสติเลยเพราะงั้นการนำเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจวันนั้นถ้าก็ว่าเราไม่เสียดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งพบกับพุทธศาสนายิ่งแล้วถือว่าเป็นสิ่งดี